อุทกานิการเทลคาถาครับเล่มที่สองตอนที่สองเลยนะครับอ่าเล่ม4ี่สิบ็ดนี่อยู่ในทนิยะเทละคาถาเออทนิยะเทละเนี่ยก็เป็นเจ้าของอ่าลงปั้นหม้อนะนะสมัยที่พระภูทิภาพพบกับ อ, อพระปุกุสาตตยเนี่ยนะนะแล้วก็จาได้ไหมพระปุกุสเตยยที่เจอกันนะแล้วก็ อ, อพระพุทิภาค อยู่ในที่เดียวกันนะ่ะแล้วก็เทศนาแล้วก็ภาพกุสาติก็ได้บรรลุเป็นภรรยบุคคลและถูกวัขวขีด ต, ตายไปนะ่นะ น, น, ะ, ะ, นะเนี่ยหมายความว่าพัฒนียาเนี่ยเป็นเจ้าของเจ้าของบ้านนั้นคือภายหลังเกิดศรัทธาบอกโอ้นี่แค่คืนเดียวเนี่ยนะพระพุทธภาคทรงมีความมีปัญญามีความสามารถที่จะทําให้บุคคลเป็นภรรยาบุคคลได้นี่นะนะเกิดศรัทธานะก็ได้บวชบวชแล้วก็อ่าก็ได้บรรลุมรรคผลนะฮะแต่ตอนบวชนั่นก็ชอบแต่กุศล แ ต, แต่งกุฏิอะตัวเองนะตกแต่งอะไรนี่ไหมหมดเลยุ่งอยู่พวกนั้นนะเนี่ยก็พระผูมธภาคก็เคยทรงตำหนินี่นะฮะว่าให้เป็นอยู่อย่างง่ายๆทสำหร o นันะะ้นะฮะนะภายหลังท่านได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่ยท่านก็มีคาถาว่าคาถาเพื่อที่จะให้พระภิกษุอื่นๆเนี่ยนะให้ให้มีความดํารงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆอย่าง อ, อ, อ, อ, อย่างสมัยสมัยนี้เขาเรียกว่ า, าแบบสมถนะนะั่นนะอ่าข้อความคื อ, อนี้ ถ้าภิกษุมุ่งความเป็นสมณนะควรปรารถนาเพื่อดำลงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆไม่ควรดูหมิ่นจีวรปานะและโพชนะที่เขาถวายเป็นของสงฆ์ถ้าหากภิกษุมุ่งความเป็นสมณนะควรปรารถนาเพื่อดำลงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆควรใช้ที่นอนและที่นั่งเหมือนงูอาศัยรูหนูแหมอีตรงนี้นี่ผมชอบมากแล้วชอบมาก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 เมตตาจะเกิดได้ส่วนหนึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงคนที่ขาดเมตตาเป็นต้นนะคหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะทําให้เมตตาไม่เกิดอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงการละอาสวะไว้ตั้งหลายอย่างด้วยกันอาส ว, ว, นะ ว, วะบางอย่างละได้ด้วยการนะเว้นรอบอาสวะบางอย่างละได้ด้วยการเห็นเป็นต้น อาสวะบางอย่างอาสวะบางอย่างเนี่ยละได้ด้วยการพิจรารณาอาสวะบางอย่างละได้ด้วยการอดกลั้นอาสวะบางอย่างเนี่ยต้องละได้ด้วยการหลีกด้วยการหนีแล้วก็อาสวะทั้งบางอย่างก็ต้องละได้ด้วยการบันเทาอาสวะบางอย่างต้องละได้ด้วยการเจริญเราต้องสามารถแยกแยะในอารมณ์นั้นๆให้ได้เพื่อที่เราจะได้ไม่อารมณ์บางอย่าง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 พิจารณาเมื่อเพลิดเพลินกับอารมณ์บางอย่างอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็ไม่ใคร่ครวนไม่พิจารณาเมื่อไม่พิจารณานั่นน่ะถ้าเป็นพระนะอย่างยาเนี่ยถ้าไม่ปัจเจกเนี่ยเป็นอบัตนะในขณะที่ที่บริโภคนั้นๆถ้าไม่ปัจเจกไม่พิจารณาก็เป็นอบัตด้วย น, น่ะส่วนปัจจัยที่เหลือนะจีวณเสนาสนะและก็อาหารเบญทบาทถ้าปล่อยให้สว่างซะก่อนไม่ปัจเจกเนี่ยถือว่าเป็น อินะบริโภคด้วยบริโภคอย่างคนเป็นเป็นนี่เออเออเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าท่านผู้ถามเนี่ยคงจะอยากจะถามนี้ครับถ้าเราเมตตากับใครนะฮะเช่นสมมุติว่าเราสงเคราะห์ใครชักคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นคนไม่ดีเนี่ยแล้วก็เราก็อาจจะได้รับโทษจากบุคคล น, นั้นนี่นะฮะเรื่องนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสัพพัญญาเปล่าครับ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 มีใจปฏิพัฒน์กับคนพวกนั้นก็เลยพูดเสียดสีบางอย่างขึ้นมาลักษณะเมตตาลักษณะเนี่ยทีแรกเจตนาดีใช่ไหมที่จะไปให้พวกคนเหล่านั้นกินแสดงว่าไอ้เมตตาเนี่ยดีละที่ที่คิดจะเอื้อเฟื้อที่จะเผื่อแผ่แต่ถ้าเรารู้ระบบนะเราไม่จําเป็นต้องให้ด้วยมือของเราเองใช่ไหมเราไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปไปร่วมวงในอันนั้นเราก็ทําอ้อมทักก็ได้ใช่ไหม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 เขาทําโดยที่ไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาก็ได้นั่นแหละเออก็แสดงว่าก็แสดงว่ากุศลขันนี้เนี่ยนะฮะประกอบปัญญาจริงๆเจริญพรช่ใช่ไหมต้องต้องปัญญาสามปยุทธ์จริงจรังต้องแต่ปัญญาขั้นศาสตกาศสัมพััญญาไปเลยใช่เจ้าใช่เพราะว่าถ้าเจริญไม่เป็นเนี่ยเขาจึงเรียกว่าคนจะมาเสียใจในภายหลังนะทําคุณคนไม่ขึ้นน่ะ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 เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้จาักกาละเป็นต้นเนี่ยนะเราก็ลําบากดงนั้นการเจริญกุศลธรรมนี้ก็เรียกว่าอัฏฐานอยู่ต้องรู้นะรู้อัฏฐารู้ประโยชน์ทำมันอยู่รู้เหตุนะการันอยู่รู้การรู้เวลาอัฏฐานอยู่อ่าไม่ใช่การันอยู่ปริสันอยู่รู้บริษัทธนะแล้วก็มัตตันอยู่รู้ประมาณ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 พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดุดพยาครุธออกจากสสิมพลีพระราหุณพัทธก็ดุดลูกพยาครุธตามไปข้างหลังพยาครุดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดุดพยาหงทองบินร่อนไปบนท้องฟ้าจากภูเขาจิตกุฎพระราหุณเทระก็ดุดลูกหงบินร่อนตามพยาหงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดุดนาวาทองเคลื่อนลงสู่สระใหญ่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 พระาหุลพัทธาดุดดาวประกายพลึกบริสุทธิ์ลอยไปตามดาวอธิตบดีแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พระราหุลพัทธาก็ทรงอุบัติในราชวงศ์ของพระเจ้าโกากากราชสืบเชื้อพวงจากพระเจ้ามหาส ม, มุติแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พระราหุลก็ทรงอุบัติในตระกูลกษัตริย์มีชาติบริสุทธิ์เช่นกับน้ำนมที่ใสไว้ในสัง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 ด้วยประการชนี้แม้ทั้งสองนี้พระองค์เนี่ยสมบูรณ์ด้วยอภินิหารอภินิหารก็คือคนมีบุญเก่าะนะตั้งความปรารถนามายาวนานว่างั้นเป็นราชบัณประชิตเป็นกรรษัตริย์สุขุมลชาติมีผิวพันธ์เหมือนทองคําสมบูรณ์ด้วยลักษณะเสด็จดําเนินไปทาตามทางเดียวกันรุ่งเรืองดุดครอบงามสิริแห่งสิริของจันทมนตรทั้งสองสุริยมนตลทั้งสองเท้าสักกะเท้าสุยามเท้าสันดุสิตะเท้าปรนิมิต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 ก็รันทรงเห็นแล้วก็ทรงธทมพระอัธยาศัยว่าราหุนนี้เป็นอุรสของเราเดินตามหลังเรามามาเกิดชั้นทราฆะอันอาศัยเรือนเพราะอัตภาพว่าเรางามผิวพรรณของเราผ่องใสราหุนนี้เล่นไปในที่มิใช่หน้าดำเนินก็คือเดินไปนอกทางเที่ยวไปในอะโคจรไปทิศไปยังทิศ ท, ที่ไม่ควรไปดุดคนเดิน หลงทิศเหมือนกันเอเห็นเดินผิดท่าแล้วนะเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยสัจร พ, รพระราหุนเนี่ยมาคิดถึงเรื่องความงดงามอยู่นั่นแหละอันหนึ่งกิเลสของราหุนนี้เติบโตขึ้นในภายในย่อมไม่เห็นแม้ประโยชน์ตนแม้ประโยชน์ของผู้อื่นแม้ประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริงคืออย่างถึงไอตัวโลภะอันนั้นนะว่าโลภะนี้เกิดขึ้นเนี่ยคํานึงถึงประโยชน์หม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 เฉนะพาะเมตตาอย่างเดียวก็แผ่กระจายขยายได้ตั้งห20ร้ี่สวันในเนี่ยนะ5้าร้อยยีดในกุศลอื่นๆอีกวิปัสสนาขันธาตุอายตนะไม่เหลือซากอย่างประโยชน์เหล่านั้นหมดเกลี้ยงเลย Great นะพระาศาสนาซึ่งเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์สภาพจิตที่ปรารบอย่างนั้นกุศลนั้นไม่เกิดในจิตพระราหุลเลยในขณะนั้นอันประโยชน์อันนั้นเนี่ยเสียหายขนาดไห น, นและถ้าหากว่าปล่อยให้จิตแบบนั้นเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยๆนะ ถ้าบวชอยู่นานๆแล้วจะเป็นพระเถระชนิดใดใช่ไหมก็เป็นพระเถระที่พาหมกมุ่นในในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พากันมัวประดับประดาตกแต่งเออแต่งยังไงบาดจะงามแต่งยังไงจีวรจะโชวอ่าจะสวยอย่างเงี้ยประโยชน์เหล่านี้ก็เสียแล้วก็เป็นผู้ที่พาเสียหายในด้านกุศลธรรมมากไปด้วยนิวรห้าอ่าเมื่อประโยชน์เหล่านี้เสียหายอย่างเงี้ยประโยชน์ชาตินี้เสียประโยชน์ชาติหน้า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 ให้เป็นไปกับอกุศนมากมากนะก็ชื่อว่าเบียดเบียนชาวแวนแคว้นปล่ยความดั่งดิอลา ม, มกให้เกิดขึ้นวนะ่างั้นประโยชน์ของผู้อื่นก็เสียแล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าใจเป็นไปกับอกุศนจะไปแนะนําพระธรรมคำสอนได้ยังไงอาจจะเป็นเหมือนกับพระโลลุทายีแนะนําพระไสยศาสกะในสิ่งที่ไม่ควรแนะนำนะไปแนะนําสิ่งที่ไม่ควรแนะนําแนะนําให้เรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าตําหนิมากวนะ่างั้น เอามือที่ไปรับอาหารที่ชาวบ้านถวายด้วยศรัทธาไปทํากิจซึ่งน่าตําหนิหน่ารังเกียจ ม, มากนะสามารถดูได้จากสังขารทิเศสสิกขาบทที่หนึ่งนะในคัมภีร์อธิกรรมิกะนะสังขารทิเศษสิกขาบทที่หนึ่งอันนะั้นมันเสียหายมากแนะนําประโยชน์คนอื่นก็เสียหายอีกเสร็จแล้วสภาพจิตก็ไม่ได้เป็นไปกับพระธรรมคําสอนเสียประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายชักชวนในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกือกูล นะเมื่อปล่อยให้จิตเป็นไปกับบาปอากุศลในลักษณะนี้มากมากขึ้นนะกายก็จะเป็นกายทุจริตวจีก็จะเป็นวจีทุจริตมโนโนี่ก็เป็นมโนทุจริตจากนั้นจักปฏิสนธิในนรกบ้างนะพระองค์เนี่ยลังหลังเออย่างถึงเลยว่าจิตอันนั้นเนี่ยอย่งให้พระราหุนนี่ตกนรกได้นะนะทำให้เกิดในกําเนิดสัตว์เดรชานบ้างในปิติวิสัยบ้างเกิดในคันมารดาอันคับแคบบ้าง เพราะเหตุนั้นจักตกไปในสังสารวัตอันไม่รู้เบื้องต้นไม่รู้ที่สุดนะไอคุณภาพจิตอันนั้นเนี่ยนะซึ่งมีโลภะเนี่ยย้อมจิตในขณะนั้นเนี่ยสังสารวัตรเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะเพราะนันทิเกิดทุกเกิดนะปุณณะนะ น, ะนันทิเกิดทุกเกิดแล้วนะปุณณนะนะะในข้อความในปุณโนวัฏสูตรกล่าวว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าความโลภนี้ยังความพิรุษให้เกิดขึ้นนะ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 นายเรือนี้ไม่ควรเพิกเฉยแม้แต่คู่เดียวฉะนั้นนะบอกโอ้โหบรรทุกทรัพมาเพียบแป้เลยนะ้นําเนี่ยซึมเข้าเลยนะปล่อยได้ไหมปล่อยไม่ได้แล้วเราจะข่มราหุนนั้นตราบเท่าที่กิเลสยังไม่ทําให้มีอที่กิเลสนี้ยังไม่ทําให้ศีล ร, รัตนะเป็นต้นในภายในของปราหุนนั้นพินาศไปเสียก่อนรไฟโลภะนั้นเกิดขึ้นมากเนี่ยรัตนคือศีลเสียหายเลยนะ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 ย่อมทรงเหลียวดูดุดพยาช้างเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงยืนประทับหันหมุนพระวรากายทั้งหมดดุดปณิมาทองหมุนกลับตัดเรียกพระราหุลพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีเหลียวคอนะพระองค์เนี่ยเป็นคนมองตรงๆอย่างเดียวกระดูกเนี่ยเป็นแท่งขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะเหลียวดูอะไรนะต้องเหลียวทั้งตัวนะก็เหมือนพระพุทธรูปเนี่ยนะหันเนี่ยต้องหันทั้งองค์นะจะหันได้พัดเสียนอย่างเดียวไม่ได้นั่นแหละแล้วพระองค์ก็ทรงตรัส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 นะทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณนะรูปก็คือนยะนะเบื้องต้นอ่ะแต่เท่ากับพูดขันห้าแล้วละนะถ้าพูดรูปปุ๊บเวทนาก็เกิดใกล้รูปใช่ไหมตานี่เป็นรูปใช่ไหยเป็นนะสีเป็นรูปใช่ไหมเป็นสีเหล่านี้ทําให้เกิดจากขูวิญญาณเกิดภาษะขันห้าก็เกิดขึ้นในขณะเห็นขณะได้ยินขณะรูปกลิ่นขณะนึกคิดนี่แหละขันห้าก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นตามเห็นขันห้าเหล่านี้ คาว่าขันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปลายกับอดีตอนาคตปัจจุบันนะภายในภายนอกอยาาละเอียดเลวประนีตไกลใกล้ก็พิจารณาด้วยปัญญาด้วยวิปัสนาปัญญาว่าเ<ร>ที่ยงไมนะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ว่า ง, งั้นควรไม้ที่จะตามยึดถือในสิ่งเหล่านี้ทีนี้ครั้งนั้นพระาหุนก็เลยคิดว่าเอ๊ะวันนี้ใครเนออันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโอวาท ด้วยโอวาดในที่เฉพาะพระพักแล้วจักเข้าบ้านเพื่อบินธบัดเล่าดังนี้โอ้พองสอนขนาดนี้แล้วบินธบัดได้ยังไงเนี่ยก็กลับจากที่นั้นแล้วนั่งโูบาลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าณโคนไม้แห่งหนึ่งท่านะกลับไปนั่งสมาธิคืนเลยครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรได้เห็นท่านพราหุนนั่งโูบาลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้านะโคนต้นไม้แห่งหนึ่งแล้วก็บอกท่านพราหุนว่า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 ถ้าแต่พระองค์พูดเจริญอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงจะมีผลมากมีอนิสงค์มาก น, นะก็คืออุปชายะแนะนำอาณาปานสติก็เลยจะเข้าไปถามอาณาปานสติทีนี้ขอเล่าถึงข้อความในอัตถกาถาว่าเพราะเหตุไรพระราหุลจึงทูลถามว่า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 เฉพาะหน้าวางเงันเราเนี่ยได้รับอย่างนั้นดุดพระองค์เนี่ยจับโจรพร้อมด้วยพันดะที่จุกวางเงันแปลว่าจับโจรที่ที่มวยผมอ่ะนะพร้อมกับของกลางวางนงันชื่อว่าสุขโตวาตนะโอวาดของพระพุทธเจ้าเนี่ยหาได้ยากโดยอสงไข่กลับนะกว่าพระผู้มีพระภาคองค์หนึ่งจะเกิดขึ้นเนี่ยยากใครหนอเป็นผู้มีชาติแห่งบัณฑิตวินยูชนได้รับ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 นะจะได้บุญมากได้อ น, นิสงฆ์มากเหมือนกับห่วงน้ําที่มันไหลลงสู่มหาสมุทรเนี่ยนะนับไม่ได้ว่าเท่านี้เท่านี้ลิตรนะเท่านี้ตุ่มเท่านี้อ่างเนี่ยคือมากเหมือนกันผู้ที่ได้ทําบุญกับพระที่เข้าพระสมาบัติเป็นต้นนะจึงมีผลมากมีย น, นิสงฆ์มากชันนั้นเหมือนกันอันหนึพระเทระทั้งสองเมื่ออยู่กับพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นหรอก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 ไม่ได้ตรวจสอบว่าเอ๊ะทำไมท่านจึงนั่งแต่เห็นเออความเหมาะสมอย่างนี้นะน่าจะเจริญอนาณาปานสติกท่านก็เลยคิดว่ากรรมฐานนี้สมควรแก่การนั่งนี้ของพระราหุนนั้นโดยอาการที่พระราหุนนี้ น, นั่งติดอยู่ในอาสนะอันไม่ไหวติ่งจึงกล่าวอย่างนั้นคือเพราะว่าอาณาปานสติเ น, นะ น, น, น, นี่ยนะมีในพระไตรปิฎกเนี่ยยกย่องมากนะเขาเรียกว่ามหานิสังสารมหาพลาวางา น, นมหานิปแปลว่าเยอะใหญ่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 ค่อยกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยไม่ใช่ฮืดเข้าหือดออกแล้วนั่งฟุ้งซ่านอยู่ครึ่งชั่วโมงบอกแม่วันนี้กําหนดลมดีจังนะวะ่าไม่ใช่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นผิดพลาดแล้วนะงั้นควรศึกษาให้เข้าใจทีนี้พระราหุนนี่พอตกตอนเย็นมานะก็เลยอยากจะไปถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอาณาปานสติจากพระผู้มีพระภาคเจ้า ว่าวิธีการปฏิบัติอานาปานสตินี่ควรทําอย่างไรทีนี้พระองค์บอกว่าสภาพจิตของพระราหุลช่วงนั้นยังไม่เหมาะที่จะเจริญอานาปานสติควรที่จะเจริญาธาตุกรรมฐานก่อนพระองค์ก็เลยตรัสว่าดูก่อนราหุลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นภายในอาศัยตนเป็นของหยาบมีลักษณะแข่นแข็งอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนะก็คืออุปาทารูป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 เพราะบุคคลเห็นอาโปาธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอาโปาธานตะุนะนิพิ t าก็จะเกิดขึ้นได้นะจิตย่อมคลายกำหนัดในอโปาธาตุดูก่อนราหุนก็เตโชาธาตเป็นไนเตโชาธาตเป็นภายในก็มีเป็นภายนอกก็มีก็เตโชาธาตเป็นภายในเป็นไน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 อันกำและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียกว่าเตโชาธาตเป็นภายในก็เตโชาธาตเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีอันใดเตโชาธาตนั้นเธอเป็นเตโชาธาตเหมือนกันเตโชาธาตนั้นเธอเพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า<ส>นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่เป็นอัตตาของเราดังนี้ พราะบุคคลเห็นเตโชาธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในเตโชาธาตุจิตย่อมคลายกำหนับในเตโชาธาตุวายโยนะดูก่อนราหุนวายโยาธาตุเป็นฉไนวาโยธาตุเป็นภายในก็มีเป็นภายนอกก็มีเป็นวายโยก็วาโยธาตุเป็นภายในเป็นฉไ น, ยย น, ฉนสิ่งใดเป็นของภายในอาศัยตนเป็นวายโอมีลักษณะพัดไปมาอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่น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 ทำจิตให้มันเป็นเหมือนแผ่นดินละนะว่าเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยแผ่นดินอยู่ภาษะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงาจิตได้คือชีวิตของคนเรานั้นมันต้องกระทบกับอารมณ์ทั้งที่ทน่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาถ้าทำใจเหมือนแผ่นดินซะก็มั่นคงไม่วานไหวใช่ไมเป็นจิตที่โลกธรรมไม่ครอบงา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 อันที่จริงนะครับพระองค์ได้วางแนวทางไว้หมดเรียบร้อยเราไม่ต้องไปคิดเลยนะครับเรื่องโยนิโสมนัสการแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราได้ตรึกตามเท่านั้นแหละเพีพอใช่เพียงแต่ว่าตรึกตามโยนิโสมตามที่พระองค์ตัดไว้เท่าเนี้ยนะครับก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องออกแรงอะไรด้วยนะครับแต่ที่จริงนะครับหลังจากที่ทรงอ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 แต่ว่าภายในเนี่ยตันหาและทิฐิหรือกรรมเนี่ยเข้าไปยึดมั่นเท่านั้นเองที่จริงแลว้วอ่ะเกิดมาทีแรกโตเท่านี้ที่ไหนนอะอาศัยผักไม้ใบหญ้านี่แหละกินเข้ามาเจริญเติบโตก็เลยยึดเลยนี่แหละที่จริงก็ไม่ได้ต่างอะไรจากใบไม้ข้างนอกเท่าไรหรอกแต่ทีนี้ว่าเราเจริญกรรมฐานเหล่านี้น้อยไปก็เลยสําคัญไปต่อไปว่าดูก่อนราหุนเธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยไฟเถิด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 ดูก่อนราหุนเธอจงจเจริญภาวนาเส ม, มอด้วยอากาศเถิดเพราะเมื่อเธอเธอจเริญภาวนาเส ม, มอด้วยอากาศอยู่ภาษาอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงำจิตได้ดูก่อนราหุนมมเปรียบเหมือนอากาศไม่ตั้งอยู่ในที่ไหนๆฉันใดเธอจงจเจริญภาวนาเส ม, ม, มอด้วยอากาศฉะ น, นั้นแหลเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาเส ม, ม, มอด้วยอากาศอยู่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 นะสงครามของไม่ใช้อาวุธชิ้นเดียวนะไปที่ไหนพกมีดเน็บมีดปอกกล้วยอยู่อันเดียวนะจะเข้าสงครามเนี่ยโอ้ยไหวที่ไหนะฟังธรรมะฟังอย่างนี้เดียวนะไปที่ไหนก็จะเอาแต่นั้นแหละไม่พอหรอกที่ว่าไม่พอทําไมอะ่ะเพราะเราไม่ได้เข้าถึงบทธรรมนั้นนจริงๆแต่ถ้าเราเข้าถึงบทธรรมนั้นบทธรรมที่ว่าหมายถึงอะไรนะถ้าเข้าถึงอริยสัจจริงจริงอ่ะนะก็ไม่มีปัญหาแต่สาคัญเนี่ยได้แต่บทได้แต่ถ้อยคําเท่านั้นแหล ะ, ะแย่มีดสั้นอ่ะนะสมัยนี้สงครามมัน ลึกซึ้งแหละนะกิเลสนี้มันก็ก็กิเลสนั่นแหละเป็นเหตุให้ทําสงครามอ่ะอันกิเลสนี้ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นอ่าถ้าทำคำสอนซึ่งเป็นอุบายในการระงับบาปอาคุศมก็ต้องหลากหลายวิธีฉันนั้นเหมือนกันเธอจงเจริญกรุณาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญกรุณาภาวนาอยู่จะละวิหิงสาได้วิหิงสา ก, ก็คือความคิดเบียดเบียนคนอื่นเขาอ่ะนะถ้าหากว่าเจริญกรุณาบ่อยๆก็จะเห็นใจคนอื่นเขา เธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเถิดเมื่อเธอเจริญมุทิตาภาวนาอยู่จักละอติได้ความไม่มีความสุขไม่สดชื่นเนี่ยจ ะ, จะละไปอรติก็คือความไม่ยินดีถ้าเจริญมุทิตานะอ่อวยชัยให้ที่คนอื่นเขามีความสุขอย่างเงี้ยใช่ไหมปีใหมน่นี้ทุกคนมีความสุขยินดีกับเขาด้วยนะยินดีที่เขามีความสุขอ่ะเขาได้สุขเราเราสุขกับเขาไปด้วยน ะ, ะลักษณะนั้นเป็นมุทตานะ เราทำยังไงเขามีความสุขเออดีแล้วที่เขามีความสุขนะยินดีด้วยนะถ้าลักษณะนี้ก็เป็นมูทิตาเราก็จะได้ละความไม่ยินดีแห่งจิตคนที่มีจิตอ่าไม่ค่อยยินดีแบบนี้แสดงว่าขาดมูทิตาคนอื่นเขามีความสุขไม่คิดให้เขามีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็ใจก็คับแคบไปอะนะ่ะเนาะเขาปีใหม่เขามีความสุขก็ให้เขามีความสุขไปเถอะเราอย่าไปทุกข์เลย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 มาน่าอาศัยอะไรสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ท้าวรอะไรทักอย่างนะจะ ไ, ไปแบก้ามอะไรนะงไงักบ้างดู่อนราหุลเธอจงเจริญอาณาปานาสติเถิดโอสอนให้เจริญเยอะเหลือเกินนะแต่ว่าพระราหุลท่านมีใจใคร่ในการศึกษาเป็นผู้ที่มีศรัทธา ม, มากเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่ปัญหาเลยที่ดูนะทีแรกพระองค์นี้ทรงสอนให้เจริญธาตุหก่อนใช่หมปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุและ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 อาอนาปานาสติอันบุคคลเจริญอย่างไรทำให้มากอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่นะมาฟังดูวิธีการเจริญอานาปานาสติของพระผู้มีพระภาคนะว่าคนที่เขาฝึกนั้นแนวเดียวกันไหมดูก่อนราหุลภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลังตั้งกายตรงดารงสติไวเฉพาะหน้า เธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าบางสำเนินก็บอกเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกแต่เขาบอกว่าเด็กที่เกิดมาทีแรกในท้องแม่ก็าหายใจออกก่อนจริงหรือเปล่าไม่รู้จริงรปะก็บอกว่าเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้านะอันอนาปานสตินี่มี16บหกบพะนะมี16 16หมวดด้วยกัน เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวชั้นต้นต้องรู้อันนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะสเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นนี้กลุ่มที่2กลุ่มที่3ามย่อมทําศึกษาว่าสำเนียกเนี่ยนะไม่ชอบเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่านมาตั้งแต่สมัยเมื่อสิปีที่แล้วก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่อง ไปเจอบาลีอสิคติว่างั น, อ น, น, นบอกว่าสัพพกายะปฏิสั่งเวทีอสัสสิ ส, สามีติสิตินะมาจากสิคติตัวหน้าคือศิกขาศึกษานั่นเองนะประวัยย่อมศึกษาว่าจักกาหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักกาหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักระงับกายะสังขารหายใจออก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 ทีนี้มาดูว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในขณะที่หายใจเข้าออกว่างันย่อมศึกษาว่าจักกําหนดรู้ปีติหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักกาหนดรู้ปีติหายใจเข้าอันนี้กําหนดรู aj aj ้ป <addin> ีตินะย่อมสาวศึกษาว่าจักกาหนดรู้สุขหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักกาหนดรู้สุขหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักกาหนดรู้จิตตสังขารหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักกาหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจาักระงับจิตตะสังขารหายใจออกย่อมศึกษาว่าจาักระงับจิตตะสังขารหายใจเข้า อ, อ, อันนี้4อย่างนี้เรียกว่าเวทนานุปัสนาหนึ่งนะปีติหายใจเข้าออก2นะสุข3กํกำหนดรู้จิตตะสังขารจิตตะสังขารในที่นี้ได้แก่สัญญาและเวทนาสัญญาและเวทานานั้นเป็นตัวปรุงแต่งจิตนะกหนดรู้สัญญาและเวทนาข้อสุดท้ายข้อ4ก็คือ ระ ง, งับจิตตสังขารก็คือระ ง, งับสัญญาและเวทนาที่หยาบให้มันเลื้อละเอียดไปเรื่อยๆนะศึกษารายละเอียดก็ต้องไปดูคัมภี์ที่อ้างอิงก่อนหน้านี้มาต่อไปนะจิตตานุปัสสาว่าย่อมศึกษาว่าจักกาหนดรู้จิตหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักกาหนดรู้จิตหายใจเข้า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 ทำจิตให้ร่าเริงสามทำจิตให้ตั้งมั่นสุดท้ายเปลื้องจิตนะมีอยู่สี่อย่างด้วยกันนะนะนี่เรื่องหายใจเ น, น้นะแต่ก็ยังว่านะถ้าเข้าใจเรื่องนี้ปับ๊บเลื่อนไปจุดอื่นๆก็ไม่ยากนักเพราะว่าอนาปานสติเนี่ยจะตอบด้วยพวกอะไรนะปฏิจจสมุป บ, บาทเนี่ยไม่ยากนักเางั้นถ้าได้ ถ้าคนที่สามารถตรึกเรื่องอนาปานสติได้ดีระดับหนึ่งนะศึกษ า, าปฏิจจสมุปบาทและส่งครอบปฏิจจสมุปบาทลงไปจะไม่ยากจนเกินไปเพราะคนพวกนี้แสดงว่าจำแ ม, ม่นพอสมควระต่อไปนะว่าบัพภาสุดท้ายคือธรรมานุปัสสนาย่อมศึกษาว่าจาักพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจออกย่อมศึกษาว่าจัก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 วิราคะนะปราศจากราคะหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักพิจารณาความปราศจากราคะหายใจเข้าต่อไปก็ย่อมศึกษาว่าจักพิจารณาเห็นธรรมะเป็นที่ดับสนิทนี้เรียกว่านิโรธานุปสีหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักพิจารณาธรรมะเป็นที่ดับสนิทหายใจเข้าแล้วก็สุดท้ายว่าย่อมศึกทศึกษาว่าจักพิจารณาธรรมะเป็นที่สลัดคืน ปฏินิสขานุปัสนสะีหายใจออกย่อมศึกษาว่าจะพิจารณาธรรมะเป็นที่สลัดคืนหายใจเข้าตรงสุดท้าย4อย่างนี่นะท่านกล่าวเลยหนึ่งอนิจจานุปัสนาเสร็จแล้วก็โดดไปหาวิราคานุปัสนานิโรธานุปัสนาและปฏินิสขานุปัสนาตรงนี้อนุปัสนาเจถ้าอนุปัสนาเจนะทั่วไปก็ตั้งแต่พังขยานเป็นต้นไปนะนี่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 ฟังเพลินเลยครับคือถ้าไปอ่านเองนะก็ก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจแล้วไม่ค่อยสราบซึ้งนะแต่ท่านเอามาอ่านแนละ้วเาอธิบายเป็นช่วงๆมองเห็นภาพเอ่อก็ต้องกลับขอขรบคุณนะท่านอาจารย์อุสาหเนดเหนื่อยยาผมในส่นนี้นะผมสนใจอยู่ตรงตอนแรกนะฮะที่ที่ท่าน สอนพระราหุลนะฮะให้เจริญเรื่องเรื่องรูปก่อนใช่ไหมฮะคือให้พิจารณาอุปาทานคันคือรูปรูปูปาทานขันเนี่ยตรงนั้นนี่นะฮะว่าอ่านั่นไม่ใช่ของเราใช่ไหใช่เขาว่านั่นไม่ใช่ของเราเนี่ยนะที่ที่ ท, ทภาสาบริว่เอตังมะมะที่เราเคยชินนะนะว่านั่นไม่ใช่ของเราเนี่ยนะคร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 ผู้ที่มีข้อมูลเยอะหรือว่าศึกษามาเยอะๆนี่นะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเขาก็ต้องทราบถึงในยะทั้งหลายใช่ไหมครับถึงเหตุ<ช>ถึงปัจจัยถึงไม่<ช> ท, ที่ที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ของเราจริงๆถูกไหมครับดังนั้นการเห็นที่ว่านั่นไม่ใช่ของเราเนี่ยไม่ใช่เห็นด้วยตันหาร้อยแปอ่ะนั่นไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นนั่นนี่ก็คือปฏิเสธมานะเก้า ในในในรูปอันนั้นแล้วก็นั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็คือปฏิเสธทิฏฐิ ท, ทั้งที่เป็นสกายะทิฏฐิยี่สิบแล้วก็ทิฏฐิไม่ธรรมได้หกสิบสองอย่าง น, นะนคือนั่นไม่ใช่ของเรานี่ก็องค์ธรรมก็ได้แก่ตัญหานะครับแล้วก็นั่นนั่นไม่ไม่ไม่เป็นเราหนี่ก็มันนะแล้วก็นั่นไม่ใช่ตัวตัวนี้ก็เป็นทิฏฐิออของเป็นทิฏฐิเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยทิฏฐินะเชซนทรอนใช่คืออย่างพระราหุนนี่นะฮะ ท่านเป็นนะท่านท่านเป็นเอตทัคคะทางด้านการศึกษาด้วยนี่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกล่าวถึงว่าพระราหุนจะเข้าใจกีนในยะเมื่อความจร<อ><อ>ิงเท่านี้เตรงนั้นเนี่ยนะถ้าเราสังเกตจากข้อความนั่นนะตั้งแต่ว่ารูปจนถึงว่าสัมมปัญญายาถตพังเนี่ยคือตามเห็นเนี่ยนะวิปัสนาปัญญาซึ่งเป็นกุศลสายมรรคสัตว์แต่ว่าขณะวิปัสนาตัววิปัสนาเป็นทุกสัตว์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 คมังสารนังฆ่าฉามินะสารณ ะ, ะของเราว่ายังไงควรมีสารณ ะ, ะเป็นที่ไปในเบื้องหน้านะเรามีสารณ ะ, ะเป็นที่ไปในเบื้องหน้าใช่ไหมเรียกว่าไงตับปลายนะมีสารณ ะ, ะเป็นมอบกายถวายชีวิตแก่ท่านเรียกว่าอัตตสันนิยาตะนะนะแล้วก็ขอเป็นสิทธิท่านเป็นศิทธิสภาวูปคมัมมานะและสุดท้ายนะขอขอเป็นไดนอบน้อมท่านอย่างยิ่งเป็นปณิปาตะ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 เจอสรพองก็จะเป็นเหมือนสารพองเจอคนงามขนาดไหนก็จะเป็นเหมือนคนนั้นน่ท ะ, ท ะ, ทะนั่นแหละเจอคนเก่งก็จะเป็นเหมือนกับคนเก่งแบบนั้นน่ะก็เลยทุกใหญ่เลยโลกนี้มันคับแคบไปหมดเลยก็คือมันจะเป็นทุกเรื่องอ่ะนะเจอสูตรนี้ก็จะโอ้โหต้องแบบสูตรนี้ไปเจอไอ้แบบนั้นจะเอาแบบนั้นอีกอันนี้เขาเรียกว่าไม่รู้ฐานะเหมืนกันผู้ที่ไม่รู้ฐานะศึกษาแล้วมันทุกแต่ถ้าคนที่รู้ฐานะเออศึกษาเพื่อก่อให้เกิดศรัทธาก่อเกิดปีติเกิดปราโมทย์เพื่ออริยทรัพย์และใจจะเบา เราศึกษาเอาอะไรนศึกษามากๆเข้าตำราทั่วหมวดีไหมถ้ากุศ ล, ลจิตเกิดสาธุโมทนาด้วยกุศลไม่เกิดก็ไม่อนุโมทนา